ความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังท่าไหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องทานบรรมีอยู่เช่นเดิมในชุดต่อไปนั้นท่านพูดถึงทานสามประเภทที่บัณฑิตยกย่องสรเสริญซึ่งว่ากันง่ายของความเป็นจริงแล้วเนี่ย การกระทำกุศลทั้งหลายจะมีพื้นฐานมาจากอะไรก็ตามบัณฑิตท่านก็ยกย่องส่งเสริญแล้วแต่ว่าการให้ทานนั้นมันเป็นการสะท้อนความรู้สึกมีคิดต่อสิ่งที่เราให้บุคคลที่เราให้และเจตนาในการให้บางอย่างคนก็สัมผัสได้ในเชิงที่เป็นรูปธรรม แต่บางอย่างมันก็มองย้อนกลับไปสู่ความคิดของเขาในข้อแรกนั้นท่านบอกว่าการให้ทานด้วยศรัทธาศรัทธาก็คือการน้อมใจเชื่อหรือความเชื่อซึ่งทาหน้าที่กระจัดความไม่เชื่อออกไป ความเข้มข้นสูงขึ้นก็จะขจัดความเครียดแฝงสงสัยออกไปและถ้าเข้มข้นขึ้นมากกว่านั้นก็จะออกมาในรูปของขจัดโลภะหรตัณหาออกไปในจุดนี้ก็จะเห็นว่าจิตใจไม่เริ่มเพื่อแผ่ปกแผ่ไปถึงคนอื่นหรือพร้อมที่จะสงเคราะห์นุเคราะห์หรือบุญช่ายกย่องความดีของคนอื่น และถึงจุดหนึ่งก็จะขจัดโทสษะออกไปครนี้ผูนสังเกตว่าใครก็ตามที่เราเคารพศรัทธาท่านแม้ถ้าจะดุดา่าหรือลงโทษหรือบางครั้งว่าคราอาจจะถึงกับเขี่ยมจีแต่เราจะไม่รู้สึกโกรธท่านนั่นก็แสดงว่าพลังของศรัทธานั้นมันไปภูมิเป็นภูมิป้องกันจิตคือรักษาจิตบุคคลไว้ เลือย่างหนึ่งการให้ทานมันเป็นการพิสูจน์ความรู้สึกศรัทธาอยู่ด้วยกรนี้รรพระพภาคเจ้าทรงแสดงคุณลักษณะของบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นที่สังเกตของคุณืีนะคือคนทนันมันก็ไม่แน่แล้าเราก็ทำได้เหตุผลอะไรแต่ว่าเมื่อแสดงออกมาที่ค่อนข้างจะต่อเนื่อง ผู้พ เ, เห็นก็สามารถตัดสินได้ว่าเขาทำไปด้วยความรู้สึกอย่างไรหรือท่านบอกว่าคนที่มีศรันั้นจะไข่พบกับท่านภูมิศีลมีความพอใจดีใจสุขใจที่ได้พบกับท่านภูมิศีลแล้วก็มีความพอใจที่จะฟังพระสัทธรรม ปรารถนาที่จะฟังไปสัตยธรรมบางครั้งบางคราวดิไม่รู้สึกเต็มไม่รู้สึกอินไม่รู้สึกพอแต่ประรงนี้พลังศรัทธาต้องมากเป็นพิเศษเพราะไรเพราะการฟังธรรมะที่จริงก็ทวนกระแสกิเลสพอสมควรอย่างที่เรามักพูดกันว่าฟังเทศม่วงนอนดูหนังดูละครด่าสว่างเพาะั้นคนที่สามารถฟังเทศอยู่ได้ต่อเนื่องเนี่ยก็ถือว่า ต้องมีพื้นฐานศรัทธาในปรันตนาใจสูงคือบางค่า้มืคราวเรา อ, อ่าจจะฟังเพราะมีความรู้สึกว่ามันจะมีผลตอบสนองในระยะยาวอย่างกติณียมในสังคมไทยที่นิยมฟังเรื่องเบสันดรนฉาดกหรือเรื่องมาชาติกันมากแล้วก็แพร่หลายคือถือว่าเป็นเรื่องที่มีการเทศมากที่สุดในสังคมไทยแล้วทุกส่วนของประเทศเป็นเรื่องที่แปลกมาก ก็มาก็ประมาณแปดร้อปีแล้วเป็นอย่างน้อยนะฮะแปดร้อปีเป็นอย่างน้อยแต่เราดูเอกสารในส่วนอืน่นโดยเฉพาะต่างภาคเหนือนี่เขาเข้าใจว่ามันจะนานกว่านั้นเพราะเราเพราะว่ามันไปให้ความหวังไวสูงาถ้ะใครสามารถฟังพระธรรมเทศนาเรื่องมาชาติฉดกก็ยกว่าถาพัานกันได้นะกระทาาพันในที่จริงมันเป็นภาษาบาลีล้วนเล พคนฟังก็รู้สึกว่าเป็นเสียงธรรมก็เลยทำมาสัญญาคือกำหนดตรงนี้คือเสียงของธรรมแล้วถ้าฟังให้มันเกิดความสงบตรง น, นี้เขาต้องการความสงบนะฮะไม่ต้องการความรู้ก็เป็นธรรมานุสติคือตั้งสติระลึกถึงว่านี้คือเสียงธรรมแล้วถ้าคนฟังนั่งหลับตาไม่ให้บกแวดมล้วก็ความสงบเกิดขึ้นภายในจิตไม่ใช่เบาเหมือนกัน แล้วต่อมาก็กันรายนี่มาตํางมีทั้งสิบสามกันนะเขาบอกต้องฟังวันเดียวให้จบซึ่งสภาพสังคมไทยเราในสมัยก่อนเนี่ยเรานึกดูเป็นหลักว่าพื้นฐานนี่คือฟังนั่งพระเพียบอย่างดีก็ขัดสมาธิก็พลิกมาพลิกไปพลิกไปพลิกมาเราน้ำรวงท้าก็ค่อนข้างจะอยู่ห่างไกล แต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นผลสูงสุดคือการบังเกิดในาศาสนาพระศรีอาริยเมสัยก็สื่อต่อกันมาได้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์แต่ประการที่สามนั้นคือขจัดมลทินคือความสนิออกไปจากใจมันก็มีความชัดเจนนะว่าคนที่ให้ด้วยศรัทธานั้นแสดงให้เห็นว่ามันไม่มีความสนีในสิ่งที่ตนจะให้ แล้วก็มีความศรัทธาในคนที่ทนให้แล้วก็มีปัญญาพิจารณาเหตุผลคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการให้ว่ามันเป็นบุญญิณิธิคือคุณทรัพย์ที่ฝังไม่ดีแล้วพี่โจรก็ขโมยเอาไปไม่ได้ไม่เป็นของทั่วไปแก่คนทั้งหลายคือทรัพย์สมบัติเหล่าอื่นนั้นคนอื่นก็ยื้อแย่งลักขโมยสกชิงขุมขูคุก ข, ขามเอาได้แต่ว่า บุญเนี่ยเป็นเรื่องของใครก็ของคนนั้นก็ได้จริงก็ทํานองเดียวกันอ่านหนังสือนะะใครอ่านคนนั้นก็รู้ได้วกินข้าวเนี่ยใครใครจะกินคนนั้นก็อิ่มใครจะมาแย่งความอิ่มปล้นความอิ่มเราไม่ได้หรอกการทําความดีที่จริงความสุวก็เหมือนกันนะฮะประการต่อไปคือให้ด้วยฮริ คือมีความรู้สึกอาจจะแนวที่พูดในวันก่อนนะว่าอาจจะเป็นโลกาทิปะตะไรอัตตาทิปะตะไหรือว่าสืบเนื่องมาจะกธรรมะิปะตะไรอาจจะมองเห็นว่าคนอื่นเขาทําการแล้เรามายืนอยู่คนเดียวไม่ทําได้อย่างไรใจคอมันก็เกินไปแหละไอฮิริไม่เท่าไหร่หรอกฮิริอธิบายคนเนี่ยมากอายคนนี่ยมากไม่ใช่อธิ บ, ไ ม, บไม่ใช่อายบาปหรอกคืออายคนเนี่ยจะมากกว่า นล่วก็แสดงว่าแนวของโลกาทิปไตยเห็นก็ทำไปด้วยก็ทำกันไปก็ เ, เหโลกันไปบางทีก็ไม่รู้จะทำอะไรอย่างที่โบราณเนี่ยท่านบอกว่าเจ้าเห็นงามก็ต้องงามไปตามเจ้าให้เล่าจะมีงามตามเสด็จก็ต้องตามกันไปอีกแนวหนึ่ง น, น, นั้นมันอาจจะสึมนึกว่า เรานี่ก็อาศัยชาติบ้านเมืองอาศัยอะไรแต่ไม่อะไรมากมายหลายขากองได้ความสะดวกสบายได้สถานะทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองมากกว่าคนอื่นหรือว่าเหนือกว่าคนอื่นเป็นจํานวนมากก็ควรจะสํ า, าสนึกคุนมาสังคมที่ได้โอกาสแก่เราก็ชดใช้ให้แก่สังคมโดยการให้โดยการบริจาคโดยการส่งเคราะห์นอกระก็แล้วแต่นะฮะสรุปบทยางนี้มันก็เกิดทีริขึ้นมาภายใต้ใจ ทีนี้ยีบีเนี่ยมันค่อนข้างจะเกิดยากคือยังมองถึงภาพเด็กๆก๋วยรุ่นทุกวันเนี่ยนะคือยังนึกว่าเออสมัยเราบงคงจะแก่มากนะนะคือเห็นว่าญาติๆลูกพี่ลูกน้องผู้หญิงเนี่ยนะแตจริงๆก็เราก็บ้านนอกนะฮะแต่กระโดดกันเด็กทีก่กระโดดโลดเต้นเนี่ยไม่ได้ ผู้ลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาต้องตำแหน่งแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวต้องสุภาพเรียบร้อยต้องปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดได้เรียบร้อยแต่ดิ้มุ่งการเป็นแฟชั่นที่น่าที่น่าห่วงแล้วก็ไม่รู้จะต้านทานก็ยังไงนะฮะโลกของเขานี่ก็คือสแสดงให้เห็นว่าฮิริเนี่ยมันจะต้องอาศัย พื้นฐานภายในนี้สูงแล้วกระแสะของสังคมหรือสภาพแวดล้อมนี่มันเอื้อว่าสมควรเพราะอะไรเพราะเรื่องบันเรื่องเนี่ยเยมันไม่เหมาะไม่ควรหนอกแต่ว่าถ้าไม่ทำก็กลายเป็นคนเฉยคนล้าสมัยคนตกรุ่นตกขอบตกโลกหายไปเลยคนเหล่านี้ก็ต้องเต้นต้องแสดงพ่อแม่ก็พ่ายแพ้ในการใช่เหตุผล ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสลดนะฮะเป็นอาณาในคมทางจิตวิญญาณของต่างชาติกองคือผ้าน้อยชิ้นนะฮะแต่ราคาแพงพวกนี้ก็เก่งวิธีหลอกขายกดอนทีนี้ถ้าหีริไม่แข็งพอมันก็ไปไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงงานให้ทานนะแม้แต่การครองชีวมันก็เดินไม่ได้ทีถ้าดิบอกว่ามันเกิดขึ้นจากการที่ มันมีเชื่อนะก็เรียกว่าเกิดมาจากกุศลแล้วก็เกิดมาในครอบครัวสกุลเป็นผู้ดีมีศีลธรรมในครอบครัวบ่งสาขนาญาติพ่อแม่ปุญญาตายายที่แวดล้อมตัวอยู่เนี่ยมันเป็นผู้ดีมีศีลธรรมท่านปลื้มท่านอบรมทัานสั่งสอนท่านแนะนําก็เคยพบเคยพบญาติผู้หญิงคนหนึ่ง ก็ที่จริงก็ตอนเด็กๆก็เคยอยู่ ด, ด้วยกันนะระยะสั้นๆต่อมาก็มาพบแกๆอยู่ตั้งห้าสิบกว่าแล้วแล้วก็นั่งดูแกแ ก, ก, ก, กมาเยี่ยมเว้พี่นี่พูดเป็นพูดดีนะแปลกจริงๆชาวนาธรรมดาปอสีธรรมดาเนี่ยจะพูดจะนั่งจะพลิกตัวอะไรแต่เป็นพูดดีไปหมดเลยแต่เมื่อก่อนมาเจออาอายุครั้งเก้าสิบกว่าแล้ว แล้วก็ปาร์ลับถือก็าเออคิดตรงกันแล้วก็ปร์อกว่าคนนี้รู้จักคิดตรงทัหมดป่ะเออมันแปลกแปลกว่าเป็นชาวนาแล้วก็ป .4 แล้วก็อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีคนวางเนื้อวางตัวลักษณะนั้นหลแต่ก้คงความเป็นผู้ดีอยู่ได้รู้สึกทึ่งรู้สึกชื่นชมมาก เออไอพวก้ําแหลมบ่มีคนเสียบมาหนาวกลมเกรงบ่มีคนกรึงอย่างนี้มันจริงๆไม่มีใครอบรมแนะนําสั่งสอนแล้วเขาเป็นเขาอย่างนั้นตั้งแต่เด็กๆมาจนในรันี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีปกติกเป็นที่เคารพยาเกรงนะฮะแม้แต่ญาติผู้ใหญ่เขาก็ยำเกรงเพราะอะไรเพราะว่ามัน มันองอาจอลักษณะเขาองอาจสง่าแล้วก็แบบผู้ใหญ่ยก็แสดงที่จริงก็คือมันาดแบบไทยโบราณคนะ่อนข้างโบราณนะคือการนั่งการพูดการจา ก, การวางมือวางเท้าเนี่ยมั น, เ ป, น, เ, ปนเป็นแบบผู้ดีโบราณคึกสง่านะฮะเราจะเห็นว่าคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละแต่ถ้าเขาวางเือ ว, วางตัวแบบผู้ดีเนี่ยมัน มันสะท้อนนี่มีฤทิออตปัจผลคนเหล่านี้เขาจะทําด้วยความสํานึกว่าเขาควรจะทําหรืออาจจะประรบตนเองหรืออาจจะประรบโลกดังกล่าวแล้วแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าฐานของเหตุนี่มันก็เป็นเหตุประรบธรรมะนี่สูงว่าทานนี้การให้ฐานนี้เป็นการดีแล้วก็ให้เดี๋ยวเขาจะไม่คิดมากนะการให้ทานนี้เป็นการนี้แล้วก็ให้ บางทีคิดเพื่อนๆเราตั้งกินอยู่บอกเออบริโภคคนเดียวไม่ได้สุกแล้วเพื่อนก็หิวอยู่เราก็ให้เขากินอันนี้ก็คือคือมันเกิดมาจากคิบริตีแนวหนึ่งนั้นมันเกิดมาจากว่าสิ่งที่เราให้สิ่งที่เราให้มันไม่มีโทษไม่มีโทษต่อผู้รับนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะ ทีนีชุดหนึ่งก็มีประเด็นค่อนข้างซ้ำกับที่เคยกล่าวมาแล้วก็คือว่าเจตนาฐานเจตนาในการให้นั้นประกอบด้วยกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเรียกสำรวจบาลีเขาเรียกว่าหากรุศริจอาจจะเกิดจากศรัทธาอาจจะเกิดจากความพักดีอาจจะเกิดจากความเมตตากรุณ า, านับถือเคารพ บ, บูชาก็ไม่รู้นะก็เยอะเลยสงสารให้ได้ต่าง แล้วสิ่งที่นำมาให้นั้นเป็นสิ่งที่ได้มาในทางที่ชอบธรรมแล้วก็เน้นไปที่พวกปัจจัยสี่คือสามารถที่จะแก้ปัญหาหแก่คนเหล่านั้นได้ผลการให้มาก็แนวบบัดทุกบาบุงสุขให้แก่ผู้รับเป็นประการสำคัญแล้วก็จิตใจของเหล่านั้น ประกอบไปอารมภาอารภาคือความไม่โลภความไม่โลภ ก, ก็คือความเสียสละคือทั้งท่าสมุนมะรีไปหน่อยเป็นอนโรภาเจตสิกที่ประกอบด้วยเจตนาจุดน้อ่ความเจตนาตรงนี้มันไม่โลภแต่การไม่โลภนั้นไม่โลภในสิ่งที่เราจะให้แต่ว่าผลเนี่ยมันต้องเกิดแหละคืออยากได้ไม่ได้เนี่ยผลเนี่เกิดขึ้นจากการให้เลยมันต้องเกิด แต่ในขณะเดียวกันตรงนี้เองก็เถอะบางทีมันก็เกินเหตุเกินผลไปเช่นะว่าอะไรละวันที่สลากินแด่งจะออกเนี่ยรู้สึกก็จะเอาอตอนเย็นเนี่ยนะตอนเช้านี่คนจะตาก่าดมากเป็นพิเศษแล้วเวลาตากนกี่แกอธิษฐานจังเลยนอนด้วยก็ส่วนใหญ่ก็ขอถูกสลากินแดง่งลงทุนนิดเดียวนะ ต้องการได้ผลเยอะเราก็ได้เร็วด้วยซึ่งพระธิดาบาตรก็คงยืนสยองย่อมเกลียดผมไม่รู้โยมปฏิฐานว่ายังไงอันนี้ก็คือแสดงว่ามันเป็นการให้ทานด้วยความโลภแบบออยเหยื่อแบบตกเบ็ดถามว่าได้ผลไหมก็ได้ผลนั่นแหละแต่ว่ามันความเปลี่ยนแปลงด้าจิตเนี่ยมันมันไม่มาก อันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราให้ถานนลวสวานนั้นสมมตินะสมมติว่าคนไปตักบาตรตอนเช้าอธิษฐานขอขอถูกสละกินแบ่งแล้วตอนเย็นถูกเลยเสมมติเราถูกเลยเนี่ยมันก็เกิดปัญหาของความงงงายแล้วก็พระนั้นหละจะอาการหนักพระที่เ็าตักบาตรเนี่ยจะาการหนัก ก็ต้องไปหาด้วยเขก็พยายามตักบาตด้วยอธิฐานเรืยทีนี้ไอตอนได้เนี่ยเขาจะชื่นชมพอตอนไม่ได้เนี่ยเขาจะโกรธแล้วพอถ้าไปบอกคนมากทีนี้ก็ยุ่มคือพระนั้นที่เรียกว่าเป็นแพระรับบาปไปเลยเพื่อไปรู้หนวยเนี่ยอะไรกับเขาเลยนั่นก็คืออะก็คือว่ามันเป็นการให้ด้ยความโลภแล้วก็มันความหลงมันสูงขึ้น ตัวตัวเองได้ขึ้นมาก็ไปเชื่อมวันเนี้ยเพราะเราทำบุญดับบาทเมื่อเช้าจึงถูกสลา ก, ก, ก, นะกินแบ่งแล้วก็ถูกนะฮะเล่นสลากินแบ่งแล้วก็ถูกแนวตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีกิจกรรมไปดันมากที่พวกนักบุญคนบาปมันใช้ใช้เป็นเครื่องมือโยมทำบุญอย่างนั้นนะจ๊ะทำบุญจะได้บุญอย่างนั้นจะได้เงินได้ทองได้เป็นเศษชีมีวิมานว่าเรื่อย que. ทีนี้บางทีนี่คนร้อยคนพันน่ะนะเราพูดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ได้อะไรขึ้นมาบ้างแหละแต่ไม่ใช่ได้พอเราพูดหรอกพอดีเขาก็ได้ตามจังหวะของเขาทีนี้คนก็เชื่อเขาศรัทธาก็ไปเชื่อมไปเชื่อมกับหลวงพ่อของเขาลุงลุของเขาลวงงาของเขาก็แล้วแต่นะคและในที่สุดเนี่ยมันก็กลายเป็นความงมงายความร้ายเหตุผล แต่ถ้าคนนั้นมีจิตใจทุกจะดิตอยู่แล้วก็หลงเชื่อไปเรื่อยในสุดก็ถูกบอกแล้วก็เดยเจอญาติโยมบางคนนะคือมาหาหมดเนื้อหมดตัวเลยบริจาคมีสุภาพตรีท่านหนึ่งแต่งงานใหม่ๆแล้วสามีไปเกิดอุบัติเหตุรถตายบริจา ย, ายคือรถพังตายแล้วแกก็ได้รับมรดกทั้งหมดนะเพราะว่าสามีของลูกชายคนเดียว กเรือขึ้นมาปุ๊บปับมีพวกกลุ่มหนึ่งลูกศิษย์ของกลุ่มหนึ่งเขาก็มาปเปล่าเปลวม้วนอุกอใจอย่างประเทศพรเจ้าแกก็อบอุ่นะมีคนเยอะห้อมล้อมยิ่งใหญ่ยกย่องยกยอปอบป้นน่ะนะแต่ในสุดก็ให้เป็นตําแหน่งอย่างนั้นตําแหน่งอย่างนี้นนนไปใหญ่ขึ้นเรื่อยแกก็รบริจาคเลยบริจาคทุกหมดเลยนะมาเล่าให้อัตมาฟังสองสามครั้งครั้งที่สามนะนะ ก็เห็นว่าพอพูดได้กันรู้เรื่องก็อธิบายวิธีทมปฏิบัติธรรมให้ฟังว่าอย่าไปสนใจจากตัวนอกนะสนใจตัวในสนใจจิตจิตเราการบริจาคนั้นก็บริจาคได้มันเป็นฐานะใหม่แต่ถ้ามีจะบริจากระนะแต่ถ้าไม่มีก็ให้อภัยให้ธรรมะศึกษาธรรมะปรึกษาสีดคุณบุญพละในสมุขมากกว่า เพราะวในการทําด้วยความโลภความหลงเนี่ยมันมันมันจะมีปัญหาคือบุญมันไม่ใช่ไม่ได้อะแต่ว่ามันได้น้อยเพราะอะไรเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงทางจิตมันไม่มากเนี่ยถ้าได้ตามที่ได้เนี่ยเราก็โลภต่อถ้าไม่ได้ตามที่ได้เราก็โกรธหรือโศกเห็นไฮะมันก็กลายเป็นทุกขสมุทยัยมันเพิ่มทั้งทุกข์ทั้งสมุทยัยแต่การต่อไปเขาเรียกว่าวิรติฐานได้แก่วิรัติเจตสิก คือลดเว้นทุจริตอันเป็นอภัยทานทั้งภายในและก็ภายนอกอันนี้ก็คือพวกทอนไปทางศีลแล้วนะฮะคือเป็นศีลสามข้อแรกไปแล้วคือแต่ละอย่างนั้นก็ถือว่าฐานมันเป็นอภัยทานคือหมายความว่าเราลดทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงลซึ่งก็ทํนได้ไม่ง่ายนะอย่างที่ในสาธุสูตรที่ยกไว้ฟังในวันก่อนเนี่ยว่า พอมาถึงเทวดาองค์ที่หกเนี่ยท่านพูดรย่างพยาธานนะองค์ที่เจดก็เลยจำนวนคือไม่รู้จะอะไรมาถามพระราทุนถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าคําพูดของพวกข้าพระองค์ทั้งหกเนี่ยของใครเป็นสุภาษิตพระพุทเจ้าบอกว่าแต่ละคนก็พูดถูกนะโดยปริยายนั้นๆก็ถือว่าเป็นสุภาษิตโดยการแต่ว่าให้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ถาวลเพราะกุศลเหล่านี้เขาเรียกว่ามันเป็นวัตถามีกุศล คือถ้าลูกคนหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมีคติที่ไม่แน่นอนเพราะว่าสมมุติว่าเราให้ทานอะไรไปเยอะเลยเนี่ยแต่ถ้าผู้รับเป็นผู้ทุศีนไม่มีศีนเนี่ยมันก็ได้บุญน้อยอ่ะเมือนเราพูดชนิดดีไปปลูกที่หินดาดหินดานอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีปุ๋ยมีอะไรอะไรมันก็องอกยากะนะเพราะในองค์ประกอบเหล่านี้ยบางชีเนี่ยวัตถุมันมากแต่ว่า เจตนาอานจะดีอะไรแต่ไหนแต่ว่าผู้รับเนี่ยไม่มีศีลไม่มีธรรมะหรืออาจจะถูกต้มถูกหลอกถูกลวงไปแล้วเราก็ไม่ได้อะไรต่ก่อนจะตายเขารู้เข้าก็จิตก็ขุนจิตก็ขุดหมูเศ้านองทาทานมาตั้งนานนะตายไปด้วยจิตขุดหมูสมองอาจจะโกรธคนที่หลอกก็ได้นะอาจจะเสียดายของที่บริจาคไปก็ได้ถ้าโกรธก็เป็นโทสะแ้ะเสียดายก็เป็นโสกคือเป็นทุกข์นะ ก็ทั้งหมดดนจิตมันก็ขุนพอขุนแล้วก็ควบคุมยากแล้วมันเข้ากระบวนการของกรรมกรรมารมกรรมนิมิตามตารมกาติบินิมิตตารมก็ยุ่งแล้วมันจะคุมได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่คุมไม่ได้ในจิตมันก็ขุนมันก็ตายบังเกิดในทุกกติแต่คุมได้มันก็ดีไปนะฮะแต่คุมได้ก็ดีไปก็ตายในจิตที่ฟองแพร่ แล้วก็กุศ ล, ลกรรมที่เรากระทำเอาไว้ก็มีโอกาสส่งเสริมสนับสนุนอาจจะไม่ถึงเป็นกรรมที่นําเราไปเกิดแต่อาจจะเป็นอุปถ ร, รมประกรรมคือส่งเสริมสนับสนุนเราดียิ่งขึ้นเนีพราะเรื่องการทําความดีตรงนี้ลองสังเกตว่ามันไม่ค่อยไปเกี่ยวข้องในรูปแบบอุบาสกานเราจริงๆไม่ค่อยมีรูปแบบอะไรก็อยู่ที่จิต ดิยึดจิตเราว่ากิเลสบัรจังไปคลายไปวันเท่าไปแต่มาก็เพิ่มขึ้นความสุขก็เพิ่มเพิ่มขึ้นความทุกข์ก็ลดลงความดีก็เพิ่มขึ้นความชั่วก็ลดลงก็เป็นบุญแล้วอยู่ตรงไหนก็ได้ทําที่ไหนก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้กว่าขยะทุ่พื้นล้างถ้วยล้างจานนี่มันเป็นกุศลนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมเท่านั้นต้งฝึกเท่าไหร่ใต้ร่มพโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้ยเวลาบางตานี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงองามไฝบูธในธรรมจงมีแด่ท่ า, านผู้ฟังตลาดโดยโทั่วกันสวัสดี